ไม้สะดึงไม่พอพิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้สะดึงเล็กไม้ประกบซี่ไม้สำหรับสอดเข้าระหว่างจีวรสองชั้นเชือกรัดสะดึงในกับสะดึงนอก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 สมัยนั้นพวกภิกสุฉัพักคีใช้ปลอกสวมนิ้วมือชนิดต่างๆคือทําด้วยทองทําด้วยเงินคนทั้งหลายตาหนิประนามโพลนทนาว่าฉไนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยะบุตรจึงใช้ปลอกสวมนิ้วมือชนิดต่างๆคือทําด้วยทองทาด้วยเงินเหมือนครือหัดผู้บริโภคกามเล่า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 ทำด้วยกระดูกกระดองสังงาเขาสัตว์ไม้ อ, อ้อไม้ไผ่ไม้ธรรมดาเครื่องมเมล็ดผลไม้โลหะกระดองสังสมัยนั้นเข็มมีดปลอกสวมนิ้วมือเสียหาย